ซึ่งพระองค์ก็ตอบว่าดูก่อนอนนท์เทวดาในหมื่นโลกธาตุโลกธาตุแปลว่าจักรวาลเนี่ยนะเทวดาที่มาในหมื่นจักรวาลมาประชุมกันโดยมากที่มาก็มาเพื่อจะเห็นตถาคตเมืองกุินาราสารวันก็คือป่าสาระเป็นที่แวะพักแห่งมารกษัจเพียงใดโดยรอบถึงประมาณ12บสองโยชน์เนี่ยนะ โดยรอบถึงสิบสองยดตลอดพื้นที่เพียงเท่านี้จะหาประเทศแม้มาสักศักว่าจรดลงแห่งปลายขนทรายอันเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ไม่ได้ถูกต้องแล้วไม่ได้มีหมายคําว่าในพื้นที่บริเวณเป็นร่วมร้อยกิโลเนี่ยนะทั่วปลายเข็มเนี่ยจิ้มไปเถอะที่ไม่มีเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่นะไม่มีจิ้มปลายเข็มลงไปทวกแห่งอะ่ะปลายขนทรายก็คือเท่ากับปลายเข็ม จิ้มลงไปเหอะตรงไหนอะที่ไม่มีเทวดาอยู่ไม่มีแล้วนะแล้วเทวดาเนี่ยนะอย่างบางว่าในพื้นที่เท่าอนูหนึ่งเนี่ยจุได้ประมาณแปดองก็มีสิบสององก็มีจรดลงไปเหอะตรงไหนก็จิ้มถูกเทวดานะแต่ว่าแต่ว่าท่านเป็นผู้มีบุญนะยัยงไงก็ไม่โดนท่านะ่ะแต่ว่าพูดถึงว่าธรรมดาเนี่ยเนี่ยจิ้มลงไปเหอะในพื้นที่แทบจะเรียกว่าข้างบนข้างล่างโดยรอบทั้งหมดเนี่ยมีเทวดาทั้งหมด ทนี้พวกเทวดาเหล่านั้นน่ยต้องการมาเห็นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเทวดาก็เลยเสียใจไม่สบายใจยกโทษอยู่ว่าเรามาจากที่ไกลมาเพื่อจะเห็นพระตาถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบนี้พระองค์ก็เสด็จอุบัติขึ้นในโลกการอุบัติของพระองค์นี้ก็เป็นไปในการครั้งคราวบางครั้งบางคราวไม่ใช่มีตลอดชั่วสมัยในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้แหละเนี่ยนะไม่เกินสว่างวันนี้แหละ พระตถาคตจักปรินิาพานภิกษุผู้มีศักย์ใหญ่คือพระอรหันต์รูปนี้ยืนบังอยู่เบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเก้าเร า, า เ, เราไม่ได้เพื่อเห็นพระตถาคตในการเป็นครั้งสุดท้ายนีนะโอกาสที่จะได้เห็นมาครั้งสุดท้ายที่ตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ก็ไม่ได้เห็นเพราะว่าพระอุปวานะมายืนบังคือ คือท่านเทวดาเหล่านั้นท่างก็เหมือนกับว่าน้อยใจนะมาตั้งไกลแล้วมาเพื่ออยากจะพบไม่พบเนี่ยนะพะพระพุปวารณนะเนี่ยยืนบังหมดในหน้า423ที่บอกว่าได้ยินว่าส่วนที่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคเจ้าเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่เนรมิตอัตภาพอันละเอียดในโอกาสประมาณเท่าปลายขนทรายเนี่ยนะเกิด ว, ว่าชั่วปลายเข็มบางทีก็มีเทวดาสิบองค์สิบองค์ ข้างหน้าแห่งเทวดาสิบองค์นั้นบางทีก็มีเทวดายี่สิบองค์ข้างหน้าเทวดายี่องค์ก็มีสาสิองค์ข้างหน้าเทวดาสาสิองค์ก็มีสี่องค์ข้างหน้าสี่ิบก็เป็นห้าสิบข้างหน้าหกสิบก็มีหกสิบเนี่ยนะโอ้เทวดายัดเยียดอยู่โน้นเทวดาเหล่านั้นเบียดเบียนกันและกันด้วยฝ่ามือหรือผ้าที่มีเหตุจะกล่าวว่าออกไปอย่าเบียดเบียนเรา ดังที่พระองค์ตรัสว่าเทวดาทั้งหลายก็เป็นสาริบุตรเทวดาเหล่านั้นแลบางอง์อนะ บ, บางแห่งก็อยู่สิบองค์ยี่สิบสามสิสี่สิบหสิบหกสิบยืนในโอกาสแม้เพียงปลายเหล็กแหลมจดกันไม่เบียดเบียนกันและกันอยู่ยัดเยียดเทว่าช่วปลายเข็มเนี่ยนะช่วปลายเข็มเย็บผ้าเนี่ยก็ไม่มีใครเบียดเบียนใครเนี่ยนะอยู่ได้กันถึงหกสิบองค์อยู่ได้ถึงหกสิบองค์เนี่ย เรียกว่าพวกปลายเข็มนี่เป็นห้องประชุมใหญ่เลยว่างั้นห้องประชุมใหญ่ที่มีความจุสูงมากแต่ท่านเหล่านั้นไม่เบียดเบียนกันและ ก, กันเลยทีนี้เทวดาเหล่านั้นเขาก็บอกว่าทําไมจึงมองพระอรหันต์พระอุปวาฏฐเทระทะลุไปไม่ได้อ่ะน่าจะมองทะลุไปเลยใช่ไหมเทวดาสัอย่างนะน่าจะมองทะลุเห็นพระพุทธเจ้าไปเลย จริงๆแล้วท่านบอกว่าพระเทรนต์นี่รูปร่างใหญ่เช่นกับลูกช้างวะตัวใหญ่มากผมผ้าบางสกุลก็ยิ่งดูใหญ่มากขึ้นเลยนะคือผ้าเนี่ยจริงๆแล้วบางทีเนี่ยถ้าหาวผ้านะหนามาห่มนะตัวจริงๆอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ผ้าที่ห่มคลุมเนี่ยมันก็คลุมไปหมดทั้งตัวใช่ไห ม, มก็ดูใหญ่มากเลยเสร็จแล้วเทวดาเหล่านั้นก็เลยเพ่งโทษโอ้มาตั้งไกลามาเพื่อจะเห็นก็ไม่ได้เห็น มาเพื่อจะเห็นกครวัตถาคตัสทัศนายะทัศนายะก็คือเพื่อจะเห็นพระตถาคตความว่าเทวดาทั้งหลายเมื่อไม่ไม่ได้เห็นพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงติเตียนถามว่าเทวดาเหล่านั้นไม่สามารถมองทะลุพระเถระหรือต่อว่าไม่สามารถด้วยว่าเทวดาสามารถมองทะลุเหล่าปุุชนได้แต่มองทะลุเหล่าพระคีนาศพไม่ได้ และทั้งไม่อาจเข้าไปใกล้ได้เนี่ยนะไม่มีอํานาจอะไรที่จะไปเบียดเบียนพาตอาหารเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งเรียกว่าโดยคุณธรรมเนี่ยวัดกันโดยคุณภาพคุณธรรมเนี่ยมันห่างกันเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นพระเถระนั้นมีอนุภาพมากแล้วก็เป็นผู้ที่มีอํานาจมากคือเป็นพาตอาหารที่ที่ปกติก็มีอํานาจมากอยู่แล้วแต่พระอุปวานะเนี่ยเป็นผู้ที่มีอํานาจพิเศษถามว่าเพระเฮไรพระเถระจึงมีอํานาจมาก เอาองค์อื่นๆก็เป็นพระทหา์ท่านไม่มีอำนาจเหมือนพระอุปวา น, นะนี้หรือตอบว่าเพราะอดีตชาติท่านเคยเป็นอารักเทวดาเทวดาที่รักษาเจดีย์ของพระกัสปะสัมพุทธเจ้าอดีตชาติเนี่ยนะท่านเป็นเทวดาดูแลเจดีย์เทวดาที่อุปถากเจดีย์เนี่ยนะได้ยินว่าเมื่อพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานเมื่อเก้าบเอกัปที่แล้วเนี่ยนะ ชนทั้งหลายได้พากันสร้างพระเจดีย์องค์หนึ่งบรรจุพระสารีริกธาตุสรีระเป็นเช่นเดียวกับแท่งทองคำทึบพระวิปัสสีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าที่มีพระชนมายุยืนพระพุทธเจ้าองค์ใดที่มีพระชนมายุยืนพระท่าของพระองค์ไม่กระจายก็จะอยู่ดำรงอยู่เหมือนแท่งทองเลยนะ คนทั้งหลายก็ใช้แผ่นอิฐทองยาวหนึ่งศอกกว้างหนึ่งคืบหนาแปดนิ้วก่อเจดีนั้นประสานด้วยหรดานและมโนศิลานศิลาแท่นดินเนี่ยนะฉลมด้วยน้ำมันงาแทนน้ำนแล้วก็สถาปนาประมาณเจดีนั้นใหญ่มากหนึ่งโยน์ทีนี้ภูมิมัเทวดาก็สารต่อสร้างไปอีกโยต์หนึ่งอากาศเทวดาก็สร้างต่อไปอีกโยต์อุณหะอภาวลาหก เทวดาชั้นจาตุมชั้นดาวดึงก็สถาปนากลายเป็นว่าเจดีพระพุทธเจ้าสูงถึงเจ็ดโยก ด, ด้วยประการชนี้มนุษย์สร้างได้โยดหนึ่งส่วนชั้นที่เหลือเนี่ยอีกเจ็ดโยด่อีก6โยต์ที่เหลือนั้นเป็นอนุภาพของเทวดาเพรเทวดานี่ร่วมสร้างเจดีใหญ่มากเมื่อผู้คนถือพวงมาลัยดอกไม้ของหอมผ้าเป็นต้นอารั ก, กเทวดาทั้งหลายก็พากันถือดอกไม้มาบูชาพระเจดีทั้งที่ผู้คนเหล่านั้นเห็นอยู่ หมายก็ว่าจะมีคนมารับแล้วเอาไปบูชาให้นะแต่เป็นเทวดาเนี่ยมารับไปบูชาครั้งนั้นพระเทรรารูปนี้เป็นพรามมหาสารถือผ้าเหลืองผืนหนึ่งไปเทวดาก็รับผ้าจากมือของพรามนั้นไปบูชาพระเจดีย์พรามเห็นดังนั้นก็มีจิตเลื่อมใสตั้งความปรารถนาว่าในอนาคตการแม้เราก็จะเป็นอารักเทวดาในเจดีย์ของพระพุทธเจ้าเห็นป่านี้เนี่ยนะแม้อยากจะทาบุญประเภทนี้มาก คือคนเนี่ยมันมีอัธยาศัยไม่เหมือนกันบางเหตุบางอย่างไปเห็นบางอย่างแล้วก็เลื่อมายอยากจะเป็นอย่างนั้นด้วยผลบุญนั้นท่านจุติจากชาตินั้นก็ไปบังเกิดในเทวโลกพราหมณ์นั้นก็ท่องเที่ยวอยู่ในมนุสโลกเทวโลกจนถึงศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จอุบัติในโลกแล้วก็ปรินิพานพระศริรัชท์ของพระองค์ก็มีแท่งเดียวกันนะมีแท่งเดียวทั้งเดียวไม่มีการกระจัดกระจาย เมื่อพระธาตุไม่กระจัดกระจายคนทั้งหลายก็นำพระสรีรธาตุนั้นสร้างเจดีสูงหนึ่งยอพราหมณ์นั้นเป็นอรักตเทวดาในพระเจดีนั้นเป็นเทวดาที่รับอาสามาดูแลเจดีเนี่ยเป็นเทวดาที่มีอำนาจมาก เ, เนะเมื่อพระศ า, ส, าสดาอันตรทานไปก็บังเกิดในสวรรค์หมายความว่าเมื่อศาสนาอันตรทานไปพระธาตุกระจายไปไม่เหลืออยู่ในโลกแล้วท่านก็จุติจากอารักตเทวดาก็ไปเกิดเป็น เทวดาชั้นจ่าตุ่มอยู่ในสวรรค์นั้นนะเวียนอยู่ในสวรรค์จนถึงปฏิสนธิในตระกูลใหญ่ตอนหลังออกบวชแล้วก็บรรุเป็นพระอรหันต์ในสมัยของพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นพราเทระบุญเก่าที่ท่านเคยเป็นอรัเทวดาดูแลเจดีนั่นแหละทำให้ท่านเป็นผู้มีอำนาจมากด้วยประการชนีเพราะฉะนั้นพระองค์จะเลยบอกว่าเทวดานั้นที่บอกว่าพระองค์อะ เทวดาติเตียนนั้นไม่ได้ติเตียนเพราะพระเทเรมีความผิดแต่เทวดาเหล่านั้นก็ใส่ใจเนี่ยนะใส่ใจว่าคือพระองค์จะยับยั้งการปรินิพานของพระองค์หรือเนี่ยนะเทวดาเหล่านั้นก็ยับยั้งไม่ได้นะะคือจริงๆแล้วเทวดาแม้จะอยากพึงปรินิพานเทวดาอยากอยากให้พระพุทธเจ้ายัางไม่ปรินิพานแต่ก็ไม่สามารถที่จะอะไรสามารถที่จะทําได้อย่างที่ ปรารถนาเนี่ยนะพรเทวดาเหล่านั้นเนี่ยนะก็เลยถามว่าเทวดาเหล่านั้นนะที่มาเพื่อจะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวดาเหล่านั้นทำไว้ในใจอย่างไรพ ร, พระองค์ก็ตอบว่าอานนท์มีเทวดาบางพวกสาคัญอากาศว่าเป็นแผ่นดินสยายผมประคองแขนทั้งสองคล่ำ ค, ครวนอยู่แล้วก็ล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนมีเท้าขาดแล้วรำพันบ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าจักปรินิพานเสียเร็วนักพระสุคตจักปรินิพานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักสุในโลกจักอันตรธานเสียเร็วนักดังนี้เขารู้พระพุทธคุณเนี่ยนะเนื่องจากเขาทราบซึ่งในพระพุทธคุณถึงพักขวาว่าพระองค์ผู้ที่ทําลายราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้แล้วพระองคเป็นพระสุคตเสด็จไปดีแล้วเสด็จไปเพื่อประโยชน์สุแก่สรรพสัตว์พระองค์ผู้มีจักสุคือมี พุทธจักมีธิพจักสุสมันตะจักสุยานะจักสุธรรมะจักสุเนี่ยนะพระองค์ผู้เป็นจักสุของโลกผู้ให้จักสุพระองค์จักปรินิพานแล้วก็เลยร้องให้คร่ำครวญบนเพิ่มเหมือนคนเท้าขาดเนี่ยนะเทวดาบางพวกสําคัญแผ่นดินว่าเป็นแผ่นดินสยายผมประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญอยู่ล้มลงตึ้งเกลือยไปมาเหมือนคนเท้าขาดแล้วก็รำพันว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจาักปรินิพานเสียเร็วนักพระสุคตจักปรินิพานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักสุในโลกจักอันตรทานเสียเร็วนักดังนี้เนี่ยส่วนเทวดาที่ปราศจากราคะคือพระอรหันต์ตั้งหลายปราศจากราคะแล้วท่านพระอรหันต์มีสติสัมปชัญญะอดกั้นโดยธรรมสังเวชเนี่ยนะท่านมีสติสัมปชัญญะเข้าใจนะมีกันติ ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหลายไม่เที่ยงในข้อนั้นจะหาได้ในสังขารแต่ที่ไหนคือจะไปขอร้องอ้อนวอนขอรูปจงเที่ยงเถิดขอรูปจงอย่าอย่าแปรปรวนไปเลยขอรูปจงยั่งยืนเถิดไม่มีผู้ใดมีอำนาจทําทให้รูปยั่งยืนทําให้เวทนาสัญญาสังขารนะ วิญญาณยั่งยืนต่อไปได้ผลจึงไม่มีผู้ใดมีอนนานาจท่างก็ได้แต่สลดใจว่าผู้ที่สร้างสมบุญบารมีมาเช่นกับพระพุทธเจ้าสร้างมาขนาดนี้สังขารที่ดีเลิศประณีตอย่างนี้ก็ยังแตกสลายก็ยังแตกทำลายเพราะเพราะอะไรเพราะว่าท่านนั้นมีสติสัมปชัญญะมนุิการโดยอ น, นิจจสัญญาเป็นต้น เพราะฉะนั้นขณะเดียวกันท่านเองก็กำจัดโทสะได้แล้วจึงเป็นผู้ที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความเสียใจเลยในข้อข้อหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดหน้าสามร้อยแปดนี่ก็เกี่ยวกับร่านนอีกต่อไปว่าท่านท่านนลคิดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พอคิดเสร็จก็กราบทูลพระองค์นะว่า ในการก่อนพวกภิกษุอยู่จำพรรษาในทิศทั้งหลายพอออกพรรษาแล้วท่านเหล่านั้นก็มาก็พากันมาเพื่อเห็นพระตถาคตพวกข้าพระองค์ย่อมได้เห็นได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ให้เจริญใจเหล่านั้นคือมีโอกาสเห็นพระภิสุที่มาจากต่างทิศผู้ที่สมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติดีมีศีลเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อเห็นแล้วก็ยังใจให้เจริญ หรือเห็นแล้วก็เจริญใจหมายก็ว่าเห็นแล้วก็มีกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเมตตาวจีรกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเมตตามนโนกรรมทั้งต่อนหน้าและรับหลังเรียกว่าท่านเหล่านั้นยังใจให้เจริญสา ม, มารถที่จะเจริญเมตตาไปหาท่านเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายเนี่ยนะพวกข้าพระอักษข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระองค์ย่อมได้เห็นได้เข้าไปนั่งใกล้ ภิกษุผู้ยังใจให้เจริญเหล่านั้นพวกข้าพระองค์เนี่ยนะโดยล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าคือยังไงพระองค์ก็ปรินิพานแน่ละอันนี้แน่นอนไม่มีอะไรมาฉุดอยู่แล้วละ่ะทีนี้ต่อไปเมื่อพระองค์ผ่านไปแล้วปรินิพานไปแล้วจักไม่ได้เห็นข้าพระองค์จักไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ยังใจให้เจริญจะไปหาพระดีๆแบบนี้มารวมตัวกันมาประชุมกันไปควรพบเห็นท่านเหล่านี้ได้จากที่ไหน จะไปเฝ้าเอ่อกล่าวว่าจะไปนั่งใกล้พระพิสูจน์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยเหล่านี้อยู่ที่ไหนอีกผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไปหาท่านเหล่านี้จากที่ไหนท่านกล่าวว่าสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยพระพิสูจนทั้งหลายเนี่ยจะมีการประชุมกันสมัยพุทธกาลนะพอออกพรรษาแล้วก็จะมาประชุมกันคือมาประชุมกันเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เพื่อที่จะฟังโอวาทฟังนคำแนะนำะที่จะปฏิบัติต่อไปในหน้า425รย่ห้ายอหน้าล่างบอกว่าบทว่าวัดสังวุฒาความว่าได้ยินว่าในครั้งพุทธการพระพิโสประชุมกันประมาณสองครั้งสองครั้งก็คือว่าหนึ่งจจรเข้าพรรษาเพื่อรับกรรมฐานหมายคือว่าก่อนจะเข้าพรรษาท่านเหล่านั้นก็มาขอรับกรรมฐานจักพระพุทธเจ้ามาขอฟังธรรมมาขอคาแนะนาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทั้งหลาย อย่างที่สองเมื่อออกพรรษาแลว้วก็กลับมาเพื่อบอกคุณนะวิเศษที่บังเกิดเพราะการประกอบเนื่องๆซึ่งพระกรรมฐานที่ได้รับมาหมายค่าว่าศึกษาร่ำเรียนคำสอนข้อปฏิบัติจากพุทธสำนักแล้วไปปฏิบัติได้รับบรรลุมรรคผลมีโสดาปฏิผลต็นต้นก็กลับมารายงานเล่าให้พระองค์ฟังว่าไปประพฤทปฏิบัติแล้วได้ผลเช่นนี้เช่นนี้เนี่ยนะ